การรักษาโรคด้วยอำนาจจิตเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าได้อธิบายมาค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวซึ่งคําอธิบายเหล่านี้ข้าพเจ้าได้มาจากโอปปาติกะที่เป็นเทพเจ้าลำพังสติปัญญาของข้าพเจ้าเองแล้วไม่อาจจะรู้ได้เลยเพราะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเกินสติปัญญาของข้าพเจ้ามากมายและยิ่งกว่านั้นทั้งที่เรื่องนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนเองจะคําบอกเล่าของโอปปาติกะดังที่ได้กล่าวมา ซึ่งในขณะที่ท่านอธิบายให้ฟังโดยผ่านทางคุณสีเพนนนั้นแม้ข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าเข้าใจดีจึงได้เขียนออกมาได้ก็ตามแม้กระนั้นหลักวิชาดังที่ได้เขียนไวน้นี้ข้าพเจ้าเองก็ยังต้องอ่านแล้วอ่านอีกและยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าได้ความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นทั้งนี้ก็เนื่องจากมีพื้นในเรื่องวิญ ญ, ญาณมาก่อนแล้วโดยการศึกษาจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้น สำหรับข้าพเจ้าจึงไม่สู้จะมีปัญหาอะไรในการทำความเข้าใจในคำอธิบายของท่านแต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาก่อนหรือมีมาน้อยก็เป็นของแน่นอนว่าแทบจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยถึงแม้จะมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์มาเป็นอย่างดีก็ตามเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใกราที่จะขอเตือนไว้สักเล็กน้อยว่า ถ้าท่านปรารถนาที่จะเข้าใจหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตยอย่างแท้จริงแล้วจะต้องพยายามศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจดีซะก่อนและการศึกษาเรื่องนี้ถ้าจะให้มีความรู้กว้างเพื่อที่จะนำมาอธิบายคนสมัยปัจจุบันเข้าใจง่ายซึ่งรวมทั้งตัวเองก็จะเข้าใจง่ายด้วยนั้นต้องมีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์พอสมควรเพราะฉะนั้น ท่านจะเห็นได้ว่าถ้าคนไหนศึกษามาแต่ทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะเช่นศึกษามาแต่ในทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือผู้ที่ศึกษาแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทจากคมภีทางพุทธศาสนาอย่างเดียวโดยไม่มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลยสำหรับบุคคลที่มีการศึกษามาแต่ในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเช่นนี้จะเป็นการยากมาก ที่จะเข้าใจถึงหลักวิชาที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วอันหนึง่งข้าพเจ้าทั้งที่รู้อยู่ว่าเรื่องนี้เข้าใจยากมากซึ่งความเป็นจริงไม่ควรจะเขียนออกมาเพราะคนทั่วไปจะอ่านไม่รู้เรื่องเป็นการเสียเวลาเปล่าแต่และข้าพเจ้าก็เขียนซึ่งคนไหนถ้าไม่พยายามอ่านยังมีสมาธิจริงๆแล้วจะรู้สึกวนเวียนซ้ำซากจับใจความไม่ค่อยได้ ทั้งนี้ก็เพราะต้องการจะบันทึกเอาไว้เพื่อการภายหน้ามากกว่าที่จะหวังผลในปัจจุบันอันหนึ่งการที่หลักวิชาเหล่านี้มีความหมายซับซ้อนคนอ่านต้องมีความรู้หลายด้านจึงจะอ่านเข้าใจนั้นทั้งนี้ก็เนื่องด้วยโอปปาติกะองค์ที่อธิบายนี้ท่านมีความรอบรู้หลายด้านตั้งแต่เมื่อสมัยยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วฉะนั้นเมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกะ ก็ยิ่งจะทำให้เข้าใจในหลักวิชาต่างๆเหล่านี้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถอธิบายความเร้นลับของธรรมชาติในเรื่องนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าหลักวิชาที่ท่านบอกมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดควรแก่การบันทึกเอาไว้อย่างยิ่งถึงหากว่าคนในสมัยปัจจุบันนี้จะยังไม่เข้าใจแต่ก็เชื่อแน่ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือในช่วงอายุของข้าพเจ้านี่เอง จะต้องมีนักศึกษาทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจเรื่องอย่างนี้กันอย่างแพร่หลายแน่นอนซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วหลักวิชาที่เขียนไวนี้จะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสําหรับโลกในตอนนั้นและต่อต่อไปอีกด้วยอย่างชนึกที่จะกล่าวได้อย่างแน่ใจทีเดียวว่าจะเป็นสิ่งที่นาโลกไปสู่สันติยิ่งกว่าในสมัยใดๆที่ผ่านมาแล้วข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า หลักวิชาดังที่กล่าวมานี้ที่ว่าจะมีความสำคัญยิ่งก็เพราะโดยธรรมดาคนเราทุกคนยอมรักร่างกายของตัวไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บและอยากตายเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ร่างกายของตัวมีความเป็นอยู่สะดวกสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันว่าการที่จะเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอนั้น ต้องอาศัยปัจจัยทางวัตถุต่างๆเช่นที่อยู่เสื้อผ้าอาหารและยารักษาโรคตลอดทั้งสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ต่างๆเพราะคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบนี้ถึงทำให้มีการค้นคว้าในด้านต่างๆเพื่อที่จะสร้างสรรสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างและด้วยความจเจริญในด้านวัตถุนี่เองที่ทำให้เกิดปัญหาในทางสังคมขึ้นมามากมายโดยเฉพาะปัญหาในด้านจิตใจ รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่และมีด้วยกันทุกคนซึ่งรวมทั้งปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้นับวันแต่จะมีมากขึ้นโดยลำดับและตราบใดที่ยังงัวคิดแต่จะแก้กันแต่ในด้านวัตถุปัญหาก็จะยิ่งมากขึ้นทุกทีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะรู้สึกตัวกันแล้วและ้วยเหตุนี้เองจึงได้ปรากฏว่า ในปัจจุบันเริ่มมีนักศึกษาหันมาสนใจในทางศาสนามากกว่าแต่ก่อนแต่ไม่ใช่เฉพาะแต่ในเมืองไทยเท่านั้นแม้แต่ในต่างประเทศก็มีการตื่นตัวกันมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่หันมาสนใจกันอย่างจริงจังก็มีไม่น้อยเลยแต่ถึงกระนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคลำไม่พบประเด็นที่สาคัญในด้านจิตใจที่จะนามาแก้ปัญหาสังคมให้ได้ผลทั้งนี้เพราะยังเริ่มต้นกันไม่ถูก ต่อเมื่อใดนักศึกษาเริ่มมองเห็นความสําคัญของจิตใจว่ามีอยู่เหนือร่างกายหรือเหนือวัตถุทุกอย่างโดยการพิจารณาจากพฤติกรรมของสิ่งที่มีชีวิตซึ่งการพิจารณาในเรื่องนี้การศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะช่วยให้ความสว่างได้อย่างดียิ่งละแล้วในที่สุดก็จะจับประเด็นสําคัญได้ในข้อที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพทางจิตดีแล้วก็จะทําให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ทุกอย่าง และการที่จะมีสุขภาพทางจิตสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นคนมีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นอย่างลึกซึ้งและต้องมีความเสียสละมีความอดทนมีความยุติธรรมเหล่านี้เป็นต้นถ้าคนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจว่าการรักษาสุขภาพทางจิตให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอจะเป็นรากฐานของความเจริญและความปลอดภัยทุกๆด้าน และเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บยางได้ผลที่แท้จริงอีกด้วยเมื่อใดโลกเกิดความเข้าใจดังที่กล่าวมานี้แล้วศิลธรรมในสังคมก็เริ่มจะดีขึ้นโดยไม่มีปัญหาเพราะทุกคนที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตตามหลักวิชาที่ได้อธิบายมาก็จะต้องสนใจในเรื่องสุขภาพทางจิตซึ่งมีกฎตายตัวว่าคนที่จะมีสุขภาพทางจิตดีนั้นต้องเป็นคนมีศิลธรรมดังที่ได้กล่าวมา ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะรักษาสุขภาพทางจิตให้สมบูรณ์ไว้ได้เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในแบบนี้เขาก็จะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและเนื่องจากการศึกษาในเรื่องเหล่านี้ถ้าทํากันให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากคือเป็นเรื่องที่อาจจะศึกษากันได้โดยทั่วๆไป เหมือนกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นจึงหวังได้ว่าไม่ช้าความรู้เกี่ยวกับในด้านจิตใจดังที่ได้กล่าวมาก็จะแพร่หลายไปทั่วโลกด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้มีความมั่นใจว่าเมื่อโลกได้ตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้แล้วหลักวิชาดังที่ได้กล่าวมาก็จะต้องกลายเป็นสิ่งที่มีค่าสาหรับโลกอย่างมากมายข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เอาไว้ ก็มีความแน่ใจว่าถึงแม้ในปัจจุบันคนทั่วไปจะอ่านไม่รู้เรื่องแต่สักวันหนึ่งข้างหน้าคนที่อ่านรู้เรื่องจะต้องมีอย่างแน่นอนและมีมากด้วยในบรรดาวโรคต่างๆเช่นโรคกระเพาะโรคหืดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แล้วโรคอื่นๆตามที่หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่าท่านเมฆแดงได้ช่วยรักษาให้หายได้นั้นถ้าเข้าใจหลักวิชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ไม่สู้จะมีปัญหาอะไรแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่อีกโรคหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันคือการผ่าตัดเอากระดูกออกด้วยอำนาจจิตซึ่งในห น, งหนังสือเอสเทโรเบิร์สภาคหนึ่งหน้าจเจได้กล่าวไว้ดังนี้ การผ่าตัดโดยอาศัยโอปปาติกะโดยการส่งผ่านทางร่างกายของดิชันท่านเมกแดงและเซอร์มอลเลวแมคเคนซี่ได้ช่วยกันกระทำการผ่าตัดที่น่าตื่นเต้นให้แก่หญิงผู้หนึ่งผู้เป็นนางพยาบาลซึ่งได้มาให้ดิชันรักษาโรคหญิงผู้นี้ได้ประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งในระยะ ก, ก่อนที่จะมาหาดิชันนี้และในตอนนั้นก็ได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดที่ในกระดูกสันหลัง ซึ่งแม้จะรักษาพยาบาลทางยามาแล้วด้วยวิธีใดก็ตามก็ปรากฏว่าไม่ยอมหายเลยในตอนที่ดิฉันเริ่มทำการรักษาคนไข้ารายนี้นั้นก็ได้ปรากฏว่ามีจิตแพทย์มานั่งร่วมวงอยู่หลายท่านด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังมีนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้หนึ่งซึ่งได้มาขอทำการค้นคว้าในการรักษาแบบนี้เข้ามานั่งดูอยู่ด้วย เราได้นำคนไข้คือนางพยาบาลผู้นี้นอนลงบนโต๊ะและท่านเมฆแดงก็ทำการสำรวจร่างกายของคนไข้และแจ้งให้ทราบว่าความเจ็บปวดนั้นเกิดจากมีกระดูกหักชิ้นหนึ่งคาอยู่ในร่างกายของเธอท่านเมฆแดงจึงให้ดิฉันเข้าสมาธิให้ลึกและท่านก็ได้ทำการรักษาโดยผ่านทางร่างของดิฉันครั้งแรกท่านได้สกดให้หนางพยาบาลผู้นี้ให้อย่างลงสู่ความหลับในทันที โดยการเอามือวางลงบนศีรษะของเธอเกือบจะในพริบตาเดียวนางพยาบาลผู้นี้ก็หมดความรู้สึกไปเลยซึ่งในการนี้ไม่ปรากฏว่าต้องใช้วิธีจูงใจหรือการพูดแนะนำอย่างที่จิตแพทย์ใช้กันแต่ประการใดในายแพทย์ที่มาร่วมอยู่ด้วยได้มาตรวจดูร่างกายของเธอและด้วยการที่รู้สึกประทับใจอย่างลึกซึง้งจึงได้กล่าวกับท่านเมฆแดงว่า เพื่อเห็นแก่มนุษยชาติขอให้ท่านเมฆแดงช่วยบอกแก่พวกเราด้วยว่าจะกระทําแบบนี้ได้อย่างไรคือหมายความว่าขอให้ท่านเมฆแดงช่วยบอกแก่พวกเราด้วยว่าจะกระทําอย่างไรจึงจะสามารถทําคนที่กำลังตื่นให้หลับหมดสติได้โดยฉับพลันหรือชั่วขณะวินาทีเดียวแบบนี้ท่านเมฆแดงดิกล่าวว่าไม่ได้หอกลูกเอ๋ยอนานาจชนิดนี้ สามารถจะฆ่ามนุษย์ได้เช่นเดียวกับที่จะช่วยมนุษย์ได้เหมือนกันและเมื่อฆ่ามนุษย์แล้วก็จะไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นว่าความตายนั้นเกิดมาจากอะไรอำนาจชนิดนี้จะมีโทษอย่างมหาศถ้าหากว่าไปอยู่ในมือของบุคคลที่มีใจชั่วร้ายด้วยเหตุ น, นี้แหละเราจะบอกให้เจ้าทราบยังไม่ได้โดยอาศัยมือของดิฉัน ท่านเมฆแดงกเริ่มนวดหลังของผู้หญิงผู้นี้จนกระทั่งใ น, นที่สุดก็รู้สึกว่ามีกระดูกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งปรากฏอยู่ในมือขวาของดิฉันท่านเมคแดงได้บอกกับกลุ่มบุคคลที่แวดล้อมอยู่นั้นว่ากระดูกชิ้นนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดดังกล่าวแล้วในแพทย์ประหลาดใจอย่างยิ่งรีบช่วยกระดูกชิ้นนั้นไปจากมือของดิฉันอย่างชนิดที่เรียกว่าแทบจะกระชากไปจากมือเลยทีเดียว ครั้นแล้วหลังจากที่ตรวจกระดูกชิ้นนั้นดูทุกแง่ทุกมุมแล้วเขาก็หันกลับไปมองคนไข้และพยายามตรวจดูสันหลังของเธออย่างทีถ้วนเพื่อจะหาร่องรอยว่าจะมีแผลหรือผิวเนื้อฉีกขาดแห่งใดบ้างหรือไม่นี่เป็นเครื่องแสดงว่ากระดูกชิ้นนั้นได้ถูกดึงหรือถูกผ่าตัดเอาออกมาแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยอย่างใดเลยแม้แต่น้อย ต่อมาอีกสองถึงสนาทีคนไข้คือนางพยาบาลผู้นี้ก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาครั้งแรกเธอได้ลุกนั่งและกล้มหลังทดลองด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ก้มลงไปอีกด้านหนึ่งก็ปรากฏว่าความเจ็บปวดได้หายไปอย่างเด็ดขาดบัดนี้ก็เป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นดิฉันได้เห็นนางพยาบาลผู้นั้นอีกต่อจากนั้นราวสองปีและเธอก็ได้บอกว่า ความเจ็บปวดนั้นได้หายไปอย่างปลิดทิ้งและไม่ได้กลับคืนมาอีกเลยไม่จำเป็นจะต้องกล่าวก็ได้ว่ากระดูกชิ้นนั้นนายแพทย์ผู้ที่มาดูอยู่ด้วยนั้นได้ขอเอาไปสอบสวนดูการผ่าตัดคอนดิชันมีผลเกิดขึ้นทาให้เขาเชื่อได้ก็เพราะเศษกระดูกชิ้นนั้นเองนายแพทย์ผู้นี้ได้นำเอาชิ้นกระดูกชิ้นเล็กนี้ ไปทำการทดลองทุกวิถีทางเท่าที่ท่านและพวกนายแพทย์ของท่านจะสามารถหาวิธีทดลองขึ้นมาได้แต่แล้วก็ปรากฏว่ากระดูกชิ้นนั้นเป็นกระดูกมนุษย์จริงๆยังไม่มีข้อสงสัยอะไรได้ส่วนการที่จะเป็นชิ้นกระดูกออกมาจากกระดูกสันหลังข้อใดข้อหนึ่งนั้นก็ยังไม่มีใครสามารถจะพูดได้อย่างแน่ใจเต็มที่แม้ว่าบุคคลที่ได้ทาการสารวจ ด, ดู นั้นล้วนแต่เป็นคนที่มีคุณวุธเพียงพอที่จะให้ความเห็นได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังอย่างแน่นอนก็ตามจากเรื่องที่คุณเอสเทลโลเบิร์ตได้บันทึกไวน้นี้ท่านจะเห็นได้ว่ากระดูกชิ้นนั้นซึ่งเป็นกระดูกจริงๆท่านเมกแดงได้ดึงเอาออกมาจากในร่างกายของนางพยาบาลผู้นั้นโดยผ่านทางคนทรงคือเอสเทลโลเบิร์ต ข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมในครั้งแรกนำพยาบาลผู้นี้จึงไม่ให้แพทย์ทำการผ่าตัดเพราะในสมัยนั้นเอกซเรย์ X ก็มีแล้วการผ่าตัดก็ทำได้โดยไม่ยากเรื่องนี้ข้าพเจ้าเดียเรียนถามท่านเมฆแดงแล้วท่านบอกว่าเขาได้เอกซเรย์ดูแล้วก่อนที่จะมารักษากับท่านแต่เนื่องจากเอกซเรย์แล้วไม่พบซึ่งจะเป็นเพราะเหตุไรท่านไม่ทราบเพราะฉะนั้น ทางโรงพยาบาลจึงไม่ได้ทำการผ่าตัดอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกชิ้นที่หักนี้เป็นชิ้นที่เล็กมากและการหักนั้นอาจจะซ่อนอยู่อย่างมิดชิดยากที่จะเอ็กซเรย์ค้นพบเช่นกระดูกที่หักนั้นเป็นแต่เพียงรอยร้าวหรือแตกออกมาเพียงเล็กน้อยจากที่ของมันและก็เป็นเพียงชิ้นเล็กๆสาหรับในกรณีอย่างนี้ก็เป็นการยากที่จะค้นพบหรือไม่เช่นนั้น เป็นเพราะการเอ็กซเรย์ไม่ได้ทำกันอย่างถี่ถ้วนไม่ได้ทำหลา ย, ลายครั้งจึงไม่พบแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแต่เพียงข้อสันนิษฐานของข้าพเจ้าเท่านั้นเพราะท่านเมฆแดงท่านก็รู้แต่เพียงว่าได้เอ็กซเรย์มาแล้วแต่ไม่พบจึงได้มาให้ท่านรักษาท่านได้ยืนยันว่าท่านได้เอากระดูกชิ้นนั้นออกมาจริงๆและเอาออกมาจากร่างกายของนางพยาบาลผู้นี้แต่ทาไมจึงออกมาได้ ท่านไม่ทราบเหตุผลท่านรู้แต่เพียงว่าด้วยอำนาจจิตของท่านทำให้กระดูกชิ้นนี้หลุดออกมาแต่อุปปาติกาอีกองค์หนึ่งท่านช่วยอธิบายว่าในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตเป็นคนท่านเคยเห็นพวกโยคีในประเทศอินเดียสามารถบังคั บ, บวัตถุให้เคลื่อนที่ได้เช่นบังคับให้แก้วน้าเคลื่อนที่ไปได้ซึ่งเป็นการเคลื่อนไปดยอนาจจิตจริงเมื่อตัวอย่างเช่นนี้มีได้ การที่ท่านเมคแดงดึงเอากระดูกออกมาจากในร่างกายของนางพยาบาลผู้นี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ปัญหาก็มีอีกว่าทำไมในร่างกายจึงไม่มีรอยฉีกขาดตอนที่กระดูกหลุดออกมาสำหรับในประเด็นนี้ท่านบอกว่าเราจะมองดูกันแต่ในแง่ของวัตถุอย่างเดียวไม่ได้เพราะวิธีเอากระดูกออกมานั้นมันก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะสงสัยว่าในตอนที่กระดูกออกมาทำไมจึงไม่มีรอยฉีกขาดปรากฏอยู่ด้วยแต่อย่างไรก็ดีก็น่าเห็นใจสำหรับเรื่องอย่างนี้เพราะคนโดยทั่วไปเคยเข้าใจแต่ในเรื่องของวัตถุเคยคิดแต่ในแง่ของวัตถุไม่เข้าใจถึงเรื่องอำนาจจิตอย่างลึกซึ้งเมื่อพบเรื่องอย่างนี้ก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดา ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับผู้ที่ได้ฝึกหัดมาในทางปัทวีกสินจนมีความชำนาญคือสามารถเข้าชานได้ทันทีโดยอาศัยปัทวีกสินเป็นอารมณ์สำหรับผู้ที่ได้ปัทวีกสินเช่นนี้การที่จะบังคับวัตถุให้เคลื่อนที่เป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ยากและสามารถที่จะแสดงปฏิหารอย่างอื่ น, น, นได้อีกหลายอย่างเช่นการเดินบนน้าการเพิ่มน้าหนักให้กับร่างกายของตัวเอง ตลอดถึงการสร้างความเหนียวหรือความต้านทานต่อสิ่งที่มีคมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะเอากระดูกออกมาจากร่างกายจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่อย่างไรก็ดีคนที่จะสามารถใช้อำนาจจิตทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างตามความตั้งใจนั้นจะต้องฝึกสมาธิมาหลายวิธีและจะต้องมีความชำานาญทุกๆวิธีด้วยจึงจะสามารถมีอานาจจิตสูงได้หลักสาคัญมีอยู่ว่า ถ้าผู้ใดาสามารถทำใจให้เป็นอิสระคือไม่ให้ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆได้อย่างฉับพลันผู้นั้นก็สามารถเรียกเอาอำนาจจิตออกมาใช้ได้ตามความตั้งใจเช่นเมื่อต้องการจะสลัดอารมณ์อย่างอื่นออกไปให้หมดต้องการจะนึกถึงแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวในทันใดนั้นภายในจิตใจก็จะไม่มีอารมณ์อย่างอื่นเหลืออยู่เลยนอกจากลมหายใจเท่านั้นและในเมื่อต้องการที่จะสลัดลมหายใจ คือไม่นึกถึงลมหายใจต้องการจะนึกถึงอารมอย่างอื่นในขณะนั้นก็จะมีแต่อารมณ์ที่กำลังเพ่งอยู่เท่านั้นส่วนลมหายใจจะไม่รู้สึกเลยและในทานองเดียวกันในเมื่อต้องการจะสร้างภาพหรือนึกถึงภาพอันใดในใจก็จะมีแต่ภาพอันนั้นและภาพที่ปรากฏนั้นต้องชัดเจนมากเหมือนกับลืมดูด้วยตาและสามารถบังคับภาพให้เล็กหรือให้โต หรือจะให้เป็นอย่างไรภาพนั้นก็จะเป็นไปตามความตั้งใจทันทีและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อต้องการที่จะสลัดอารมณ์ทุกอย่างที่เป็นวัตถุออกไปให้หมดต้องการจะนึกถึงแต่ความว่างอย่างเดียวในใจก็จะว่างทันทีภายในใจจะมองเห็นแต่ความว่างรู้สึกแต่ความว่างแม้แต่ร่างกายของตัวเองก็ไม่รู้สึกว่ามีอยู่ ภายในปราศจากความนึกคิดปราศจากอารมณ์ทุกอย่างภายในใจมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากถ้าผู้ใดเข้าชาดโดยมีความว่างเป็นอารมณ์และเข้าได้ไวมากเข้าได้ลึกมากกล่าวคือความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่า ความรู้สึกอันนี้ชัดมากหนักแน่นมากเด็ดขาดมากก็ย่อมหมายถึงว่าผู้นั้นจะสามารถรวมพลังจิตได้มากและเมื่อรวมได้มากก็สามารถที่จะแสดงปฏิหารได้มากการทําใจให้เป็นอิสระหรือการทําใจให้ว่างนั้นอาจจะเทียบได้กับการทําให้ส่วนประกอบของปรมานูเป็นอิสระจากกัน และนั่นย่อมหมายถึงการเอาพลังงานปรมานูมาใช้ในด้านจิตใจก็เหมือนกันการที่คนทั่วไปเอาพลังจิตออกมาใช้ได้น้อยมากก็เพราะใจไม่เป็นอิสระติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นคนไหนในเมื่อสามารถบังคับใจตัวเองได้ทำใจให้เป็นอิสระได้ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์บังคับความรู้สึกนึกคิดได้เราก็จะพบว่า คนคนนั้นมีอํานาจจิตเหนือคนอื่นซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่าคนคนนั้นบังคับใจตัวเองหรือเอาชนะใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรผู้ที่ได้ฌานก็คือบุคคลที่สามารถเอาชนะใจตัวเองหรือเอาชนะอารมณ์ได้มากเป็นพิเศษผิดจากคนธรรมดามากมายเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จึงสามารถแสดงปาฏิหาร คือกระทําในสิ่งที่ผิดวิสัยธรรมดาได้หลายอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันหนึ่งใกล้ที่จะขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยว่าถ้าหากท่านเข้าใจหลักดังต่อไปนี้อย่างแจ่มแจ้งท่านก็จะเข้าใจเรื่องปฏิหารแจ่มแจ้งหลักที่ว่านี้ก็คือพลังของจิตคือตัวการที่ควบคุมความเป็นไปของวัตถุทุกอย่าง เพราะแม้แต่ในวัตถุที่ร้ายชีวิตก็มีวิญญาณโครงสร้างของวัตถุก็ดีคุณสมบัติของวัตถุก็ดีก็คือโครงสร้างหรือคุณสมบัติของวิญญาณในวัตถุนั้นๆหรือพูดอีกในย่าหนึ่งโครงสร้างของวิญญาณหรือคุณสมบัติของวัตถุก็คือปรากฏการของวิญญาณในทางวัตถุเช่นเดียวกับร่างกายก็คือการแสดงออกของวิญญาณในทางวัตถุนั่นเอง จงพิจารณาให้เห็นว่าทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังของวิญญาณแทรกเสริมอยู่ทั่วไปและควบคุมพฤติกรรมทุกอย่างภายในร่างกายและจงพยายามมองให้เห็นถึงความจริงในขั้นต่อไปคือแม้ในพวกวัตถุที่ไร้ชีวิตมันก็มีพลังของวิญญาณควบคุมอยู่เหมือนกับร่างกายที่มีชีวิตถ้าเข้าใจทฤษฎีขั้นมูลฐานนั้นที่ล่ามาแจมแจ้งพร้อมกับเข้าใจถึงเรื่องอิทธิพล ของการทำใจให้เป็นอิสระจากอารมณ์ดังที่ได้กล่าวมาเรื่องปฏิหารต่างๆก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากและจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยหรือว่าเป็นไปไม่ได้หมายเหตุผู้อ่านในทางวิทยาศาส์นั้นถ้าเราเข้าใจแล้วว่า ในความว่างนั้นก็กำเนิดอนุภาคขึ้นมาได้จริงซึ่งในความเป็นจริงนั้นตามหลักของพุทธทุกอย่างมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอนุภาคนั้นก็เช่นกันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับตลอดเวลาแต่เกิดดับอย่างรวดเร็วตัวอย่างของแสงที่เราเห็นทั่วไปแสงไม่ได้สว่างอยู่คงที่แต่เป็นการเกิดดับอย่างเร็วมากแสงเก่าดับไปแสงใหม่เกิดขึ้นมาและการเกิดดับเร็วนั้น ก็ทำให้เรารู้สึกว่าแสงที่เห็นเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันวัตถุทุกอย่างก็เช่นกันอนุภาคที่พัฒนาจนเป็นอะตอมเป็นาธาตุต่างๆทุกสิ่งก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปรียบเทียบแล้วแต่ละอะตอมนั้นก็คล้ายกับมีชีวิตของมันเช่นกันถ้าเข้าใจหลักเบื้องต้นเช่นนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าในไม้โตภูเขาหินและสิ่งที่เราเห็นว่ามันอยู่นิ่งๆนั้นความจริงแล้ว มีการเกิดดับอย่างรวดเร็วอยู่ภายในซึ่งการคงสภาพของอะตอมและการเกิดอิเล็กตรอนในปริมาณที่เหมาะสมจนเป็นาธาตุต่างๆได้นั้นพลังสำคัญที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่และเป็นรากฐานของแต่ลาอะตอมนั้นก็คือพลังแห่งวิญญาณความต่างของาธาตุและวัตถุต่างๆนั้นแค่เพิ่มหรือลดอิเล็กตรอนก็สามารถเปลี่ยนาธาตุหนึ่งเป็นอีกาธาตุหนึ่งได้ดังนั้นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ถ้าหากมีคนที่มีกำลังจิตสูงสามารถเพิ่มหรือลดอิเล็กตรอนซึ่งปกติก็มีอยู่ในอากาศทั่วไปเมื่อลดหรือเพิ่มอิเล็กตรอนได้จริงก็สามารถเปลี่ยนธาตุหนึ่งเป็นอีกธาตุหนึ่งได้จากในกรณีที่ผ่าตัดเอากระดูกออกมานั้นและไม่มีรอยผ่าก็คือการใช้พลังจิตไปแยกอะตอมของกระดูกนั้นและซึมออกมาทางผิวหนังแล้วกลับมารวมกันเป็นกระดูกอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นการแยกกลับไปเป็นอนุภาคพื้นฐาน ก่อนที่อนุภาคเหล่านั้นจะกลับเป็นอะตอมและกลับรวมเป็นวัตถุเป็นกระดูกเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าอนุภาคเกิดจากความว่างได้และเป็นการเกิดดับตลอดเวลาการดับและเกิดใหม่ซึ่งคล้ายกับการหายตัวจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนั้นในทางทฤษฎีแล้วจึงสามารถเป็นไปได้เรื่องเหล่านี้ก็มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอภิ ญ, ญาข้อหนึ่ง ถ้าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปถึงจุดที่เข้าใจเรื่องวิญญาณได้จริงการเดินทางในแบบที่หายวับแล้วไปปรากฏอีกที่หนึ่งนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป